เครื่องทุ่นแรงให้เกิดความต่อเนื่องการปลุกที่ดีที่สุดคือการปลุกให้ตื่นรู้ความจริงที่อยู่กับเนื้อกับตัวลมหายใจเป็นของที่ต้องเกิดขึ้นตลอดทั้ง24ชั่วโมงและเป็นของไม่มีมนทินยิ่งรู้มากจึงยิ่งมีสติมากแม้หวังจะทำวิปัสสนาให้เกิดความต่อเนื่อง ก็ไม่มีแนวฝึกใดดีไปกว่าการหัดรู้ลมหายใจบ่อยเพราะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้กายใจแล้วยังเป็นราวเกาะให้สติหยัดยืนลุกขึ้นจากสภาพล้มและตั้งเด่นอยู่ได้นานปัญหาคือถ้าไม่มีเครื่องกระตุน้นเช่นคําชี้บอกจากคนอื่นหรือตัวหนังสือที่กล่าวถึงลมหายใจคนเราจะไม่มีความเคยชินจะเข้ามารู้สึกถึงลมหายใจ กับทั้งไม่มีกำลังใจมากพอจะสร้างความเคยชินด้วยเองมาใช้เทคโนโลยีของวันนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางวิปัสสนากันโดยมาดูหลักวิธีประยุกต์ใช้กันก่อนแล้วค่อยดูสาธิตวิธีตั้งค่าอุปกรณ์ในภายหลังหลักวิธีประยุกต์ใช้ให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก พกพาติดตัวไว้ชนิดที่คุณสามารถตั้งเวลาให้มันปลุกเตือนได้ห่าง ก, กันครั้งละหนึ่งนาทีโดยจำหลักการไว้ง่ายๆคือเมื่อมีการปลุกเตือนในแต่ละครั้งให้ถามตัวเองว่าคุณกำลังหายใจเข้าอยู่หรือกำลังหายใจออกอยู่หรือกำลังเว้นวักจากการหายใจอยู่เมื่อรู้แบบตรงตามจริงไม่ใช่ตรงตามอยาก ความอยากจะเบาบางลงแล้วมีสติรู้จำชัดขึ้นรู้สึกเป็นปกติสุขมากขึ้นเรื่อยๆกับการรู้ลมยกตัวอย่างเช่นขณะมีการปลุกเตือนครั้งหนึ่งหนึ่งหากกำลังอยู่ในช่วงไม่ได้หายใจและร่างกายยังไม่ได้เรียกร้องเอาลมหายใจใหม่ก็แค่ยอมรับตามจริงว่ากำลังพักหายใจอยู่ไม่ใช่ไปเร่งลากเอาลมหายใจเข้ามา การมีสติรู้ว่ากำลังพักหายใจกับทางมิรีเร่งลากลมเข้าจะทำให้เกิดการสังเกตไปเองว่าธรรมชาติทางกายต้องการลมระลอกต่อไปเมื่อใดที่สําคัญทุกการปลุกเตือนหนึ่งครั้งขอให้สังเกตรู้ความเป็นไปเกี่ยวกับลมหายใจหนเดียวอย่าพยายามรู้ให้มากกว่านั้นทั้งนี้ก็เพราะสติของมือใหม่มีความไม่สม่าเสมอเป็นธรรมดา แต่นาฬิกาปลุกมีความสม่ำเสมอที่แน่นอนการรู้สึกถึงลมหายใจทุกหนึ่งนาทีเป็นระยะเวลาที่ถี่พอจะทำให้เกิดสติอัตโนมัติได้เองแต่ขณะเดียวกันก็ห่างพอที่จะทำให้ไม่เกิดความเคร่งเครียดขึ้นมาด้วยการเกิดสติรู้สึกถึงลมหายใจเป็นอันตโนมัติหมายถึงว่าแม้ไม่มีการเตือนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ลมหายใจก็ปรากฏกับใจคุณเรื่อยๆอาจจะไม่ถึงกับทุกครั้งแต่ก็บ่อยขณะที่คุณสังเกตได้ว่ากําลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กับลมหายใจทั้งที่กําลังเข้าทั้งที่กําลังออกทั้งที่กําลังยาวทั้งที่กําลังสั้นขอให้สังเกตด้วยว่าการเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจที่เข้าบ้างออกบ้างยาวบ้างสั้นบ้างนั้น ทำให้ลมหายใจหลอกคุณไม่ได้ว่ามันเป็นตัวคุณหรือคุณเป็นเจ้าของมันเพราะไม่มีลมระลอกใดซ้ำกันเลยและแม้แต่ความสบายหรือความอึดอัดที่มีมากับแต่ละลมหายใจก็ไม่สม่ำเสมอด้วยมาเหตุผู้อา่านในหนังสือมีการแนะนาแอปและการตั้งค่าในที่นี้ขอข้ามไปนะครับเพราะปัจจุบันแอปนี้ตกรุ่นไปแล้ว และสามารถใชแอัพพื้นฐานที่เกี่ยวกับการปลุกเตือนซ้ำซึ่งส่วนใหญ่จะมีมาให้ในเครื่องรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วก็ลองปรับการตั้งเตือนทุกหนึ่งนาที3นาทีหรือ5นาทีแล้วแต่ความต้องการโดยเทียบดูเอาว่าแต่ละคนสะดวกในเวลาที่เท่าไหร่สบายใจที่จะรู้ลมทีแค่ไหนก็ลองทดสอบกันดูนะครับนาฬิกาปลุกไม่ได้ช่วยให้คุณทาวิปัสสนาเป็น มันแค่ช่วยกระตุ้นให้นึกถึงลมหายใจอย่างสม่ำเสมอกระทั่งเกิดความเคยชินเท่านั้นที่เหลือคือวิธีสังเกตลมหายใจของคุณว่าถูกต้องตามหลักการเห็นลมไม่เที่ยงหรือไม่และนั่นเองที่จะช่วยให้สติเจริญขึ้นได้กระทั่งพัฒนาแก่กล้าเป็นวิปัสนาของจริงในที่สุดตกลงกับตัวเองซ้าๆว่าจะไม่มีการปรับแต่ง หรือทำลมหายใจให้ดีกว่าที่ปรากฏอยู่ณนะขณะถูกปลุกต่อให้เป็นลมหายใจที่มาพร้อมความเครียดก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นลมหายใจแห่งความเครียดอย่าเสียใจแต่ถ้าเป็นลมหายใจที่มาพร้อมความสบายก็ให้รับทราบว่านั่นเป็นลมหายใจแห่งความสบายอย่าไปดีใจย้ากับตัวเองเสมอว่า วิปัสสนาคือรู้ตามจริงเห็นทุกความไม่เที่ยงของแต่ละภาวะว่าเป็นการแสดงความจริงที่น่าดูน่ารู้ที่สุดหลังจากใช้อุปกรณ์เป็นตลอดจนมีมุมมองและการรู้สึกถึงลมหายใจอย่างถูกต้องการปลุกเตือนจะช่วยยกระดับสติของคุณให้ออกตัวจากจุดเริ่มได้รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อคือวันเดียว คุณจะกลายเป็นคนเลิกหมกมุ่นครุ่นคิดกับสิ่งไร้สาระอันมาเริ่มสนใจสิ่งที่ปราศจากมวลทินในตนเองโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจนอาจอยากเรียกอุปกรณ์ติดตัวว่าหลวงพ่อสติขึ้นมาก็ได้ปัจจุบันมีอุปกรณ์อยู่มากทั้งที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางหรือนาฬิกาดิจิตอลทั่วไป สำหรับนาฬิกาดิจิตอลอาจเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพอใจใช้มากกว่าอุปกรณ์อื่นเนื่องจากมีฟังก์ชันการใช้งานรองรับการปลุกเตือนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใดๆอีกเมื่อพบว่าคุณสามารถรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจได้เป็นอัตโนมัติก็ควรหยุดใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อให้กาลังสติอยู่ตัวด้วยตนเอง แต่เมื่อใดชีวิตประจำวันวุ่นวายเกินกว่าจะตั้งสติได้เองก็ค่อยนำอุปกรณ์มาใช้ใหม่อย่างนี้จึงเกิดมุมมองที่ถูกต้องคือเห็นอุปกรณ์เป็นเครื่องช่วยให้ออกตัวได้เร็วหาใช้เครื่องสร้างสติที่ไม่อาจขาดได้